ติดเราท่องทั่วร์โลกชุดช่วยชาวโลกดีทั้งดอนมุ่งมุ่งเกานาเดินไปถึ่งสักพระคุณเบื้องบนพระอาจารยร์ส่วนทุกคนจึงพบตนอันแท้จริงช่วยคนหลมคนพบอดีพุทธตนเองอย่าเลื่อนลอยหลงวนเวียนเกิดแก่ตายช่วยชีวิตดั่งความฝันเหมือนวันจางไปเหมือนจริง จ, ง, จงมอง อาจสิบเรามาบะทางช่วยส่งไปชีวิตสุดไปฉันเธอเราไม่แบ่งเขางำเนียบวนันใท้ได้รวมแต็มเป็นเกี่ยวร่วงพุงแกบไว้วันต่อไปมักคลอุดมเวลาดีมีทายาปล่อยไปฉันสุ ก, กี้อาจารย์สิดรวมชุมนุมกันโยหลัวติดน้อยหวังเรียนอรียาไหมร่วมบรนเลงเพลงกอดช้แผ่เสียงบุญใหญ่สร้างบ้านเดิมฉันสิส ทางลุ่มดอนมู้มุ่งเก่านาเดินไปสงสารพราคุณเบื่องบนพระอาจารย์โจนทุกคนจึงพบตนอันแท้จริงช่วยคนหลงคนพบอดีตพุทธทตนเองอย่าเลื่อนลอยลงวนเวียนเกิดแก่ตายช่วยชีวิตดังกองไ สิบเรามาเบิกทางช่วยส่องไปชีวิตตื่ไปฉันเธอเราไม่แบ่งเขางเงียบวนันไยได้รวงเต็มเป็นเี่ร่วงสุ่มเก็บไว้วันต่อไปมักคนอุดมเวลาดีมีคา่ายาปล่อยไปสานสุกทีอาจารย์ติดรวมชุมนุมกันอยู่รังกิดน้อยหวังเรียนอริยาไหมร่วมันเลงนเพลงกอบใช้แทนเสีงบุญใหญ่จากบ้านเดิมตันต สันติสุขขึ้นีกครั้งสามบ้านเดิมสันติสุ